พระธรรมเทศนาแผ่นที่86ลำดับที่11อโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่21กลกุมภาพันธ์2559หมีชื่อเรื่องว่าทำบุญให้ผู้มีอุปการะคุณกับเรา พร้อมกันอรัต น, นาคัมนะครับจโลกะทิปติสัมปติกัอัรฉริยานทิวรังอายาเจตา สันติขัสสะปาราชาชัคาติกาเทเสฮสุขัมมังอนุกามปีมังปะชาต่อไปตัง้งใจฟัง หลวงพ่อจะได้กล่าวอะไรปารกเรื่องงานให้กับคณะัทธา ญ, ญาติโจมทั้งหลายได้ฟังวันนี้นะครับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งหลวงพ่อเห็นครูบาอาจารย์น้องนงทั้งหลายหลวงพ่อเขาอุ่ น, นใจเพราอครูบาอาจารย์ให้ความสำคัญ ในงานของพวกเราถึงพวกเราจะเป็นทายกเป็นผู้อยากจะถวายทานแต่ขาดปฏิคาหกคือผู้รับก็ไม่สมดุลกันถ้าหากว่าพวกเรามีปฏิคาหกมากแต่เราไม่มีทุนทรัพย์เราก็ไม่สมบูรณ์อีกเหมือนกัน แต่เมื่อเราเตรียมพร้อมเราจะถวายจะตกปัจจัยไทยธรรมครูบาอาจารย์ปฏิการหคือผู้รับแล้วก็ทายกอย่างเราก็เตรียมพร้อมมีเภาวะครบทั้งสองอย่างแต่วันนี้หลวงพ่อเองก็ได้เตรียมพร้อมเหมือนกันที่จะนําถวายครูบาอาจารย์เกรงคือว่าไม่ขาดตกบกพร่องขอให้พวกพาลูกพาหลานในวัดของหลวงพ่อช่วยๆกันดู องค์ไหนที่ท่านมาสวดพระปริตตะพงค์คนแล้วท่านมีภาระตุระจะไปเดมาวัดของเราวันพรุ่งนีนะ้ก็ช่วยช่วยกันดูจัดถวายองค์ท่านเพราะว่าวันพุ่งนี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นวันมาคบูชานะแต่ละวัดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยุ่งเหิงวุ่นวายพอสมควรเป็นวันสําคัญยิ่งศรัทธาญาติโยมเขามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าวัดท่านวัดเราแต่ครูบาอาจารย์มาสวดพระปริตตมงคลในวันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลมหามงคลยิ่งสำหรับวัดของพวกเราเพราะนั้นขอให้ช่วยๆกันดูนะครูบาอาจารย์ลูกหลานทั้งหลายต่อนนี้ไปหลูงพ่อจะได้แสดงธรรมเป็นสาสนพิธีเป็นจิตจรลักษณะระนาธินะ พวกมือกล่องทั้งหลายก็ให้อยู่ในความสงบไปก่อนอย่าเพนผ่านเพนผ่านมากเกินไปค่เสียสมาธิผู้ฟังเหมือนกันนะไปหาทายลูกมากจนเกินไปก็ไม่ตาจะถูกให้รู้จักจังหวะแต่ตั้งกล่องไว้เฉยๆก็ยังได้ไม่ต้องเดินเพนผ่านนะ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 วันนี้เป็นวันที่หลวงพ่อที่เป็นเจ้าของเรื่องหรือเป็นเจ้าของแนวความคิดหรือเป็นเจ้าของวัดหรือเป็นเจ้าของสำนักแห่งนี้หลวงพ่อเองคิดอยู่เสมอว่าวัดป่านาคำน้อยของพวกเราที่เป็นมาได้อย่างนี้ก็เพราะ เป็นด้วยศรัทธาศรัทธาญาติโยมหลายรุ่นหลายคนที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดตลอดตั้งแต่ริเริ่มสร้างวัดพอหลวงพ่อมาคิดถึงจุดนี้หลวงพ่อกออ็คิดว่ามันถูกไหมแต่เราก็มองดูองค์หลวงตาที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเอง ท่านก็ได้ปฏิบัติหรือว่าท่านได้นำมาเป็นแนวทางเมื่อโยมมารดาของท่านแต่สมัยก่อนที่หลวงพ่อเข้าไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเพราะวัดป่าบ้านตาดก็ยังไม่มีใครรู้จักมักขุนมากท่านอยู่แบบสงบงบเงียบไม่มีการงานไม่มีจัดงานอะไรอยู่แบบเงียบสงบ แต่หลวงพ่อออกมาแล้วปี 2,525 2 25, 6โยมบรรดาขององค์หลวงตาก็ได้มรณะเป็นแม่ชีนะท่านบวชแต่แต้นู่นปี97 2 4เจ็ยโยมบรรดาขององค์หลวงตาพอบวชแล้วท่านก็ไปจำพรรษาจันทบุรีวัดสถานีทดรอง ไปกับคุณแม่ชีแก้วแม่ชีน้อมแม่ชีบุญแม่ชีหลายคนพอจากนั้นท่านก็ขึ้นมาจำพรรษามาสร้างวัดป่าบ้านตาดจนปีสองพหอิกว่าโยมมันดาก็ได้มรณะลงไปเป็นแม่ชีจากนั้นองค์ลวงตาท่านก็ถือว่าเป็นงานของคุณแม่โยมมันดาของท่าน ได้มรณะภาพมนได้มรณะลงไปท่านก็ถือวันนั้นละ่ะวันที่โยมรรดามรณะนั่นะเป็นวันทำบุญทีแรกพอต่อมาท่านก็บอกว่าเออน่าจะเป็นทาบุญทาบุญให้กว้างความคือคนมาร่วมสร้างวัดป่าบ้านตานี่ก็มีมากมีหลายคู่คนที่ล้มหายตายจากไปทั้งผู้ที่ถวาย ที่ดินสร้างวัดก็มีก็ล่มหายตายจากไปเราควรจะทำบุญให้กว้างขวางท่านก็เลยตั้งศัพท์ขึ้นมาว่าทำบุญเปิดโลกธาตุันคือคานี้แหละที่ลงตาป่ารบคือเปิดโลกธาตุไม่มีประมาณไม่มีจำกัดจะเป็นผู้ใดก็ตามวิญญาณใดก็ตามที่รู้จักมักคุณหรือว่า จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลในการทำบุญคราวนี้ครั้งนี้ไอ้หมอ้อให้พร้อมให้มารับได้เราเปิดออให้กับทุกวิญญาณทุกดวงวิญญาณที่มารับส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้ก็คือองคหลวงตาเป็นผู้นำแนวทางนี้แต่พอหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่หลวงพ่อก็เห็นด้วยในแนวความคิดของหลวงตาเพราะเหตุไยเพราะว่าวัดของเรา ที่สร้างขึ้นมาไมายสู่อยู่ในระดับหนึ่งก็เห็นศรัทธาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องอล่วงโรยไปตามอายุสังขารแต่พวกเราก็ก็รู้อยู่ว่าเป็นใครต้องมีทั้งพระมีทั้งโยมด้วยที่ล้มหายตายจากไปแต่นี้พอต่อมาก็คุณแม่ชีแก้วท่านก็อ ที่เป็นที่รักเคารพของหลวงพ่อท่านกอมได้มรณะภาพลงไปท่านเป็นแม่ชีอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นหลวงพ่อเออน่าจะยกประเด็นของคุณแม่เป็นหลักหลวงพ่อก็เลยยกวันมรณะของคุณแม่เป็นวันทำบุญอุทิศสวนกุศลแต่เราไม่ได้ทำบุญเพื่อให้คุณแม่ เพราะว่าคุณแม่เราก็รู้อยู่แล้วว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ทางด้านจิตใจวง์หลวงตาท่านก็รับรองแต่เรายกประเด็นคุณแม่เป็นหลักจากนั้นเราก็ทำบุญเ อ, อยกคุณแม่แก้วฉีแก้วเป็นหลักทำบุญ อ, อุทิศสวนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณของวัดอันนี้เราก็ทำมาอยู่หลายปีผลที่สุดเราก็ได้ไปสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ที่บ้านห้วยสายที่สานักฉีบ้านห้วยสาย จากนั้นเราก็ได้ไปทำบุญที่นั่นคือเรากำหนดวันว่าอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาทุกปี เ, เราจะไปรวมร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลในตรงนั้นจากนั้นเราก็ย้ายจากวัดของเราไปในเมื่อย้ายไปเราก็จะมาคิดอยู่ว่าเอ๊ะวัดเราเนี่ยเราจะไม่มีการจะทำอะไรเลยจะถูกไหมเนี่ย แค่เพราะศรัทธาญาติโยมที่มาช่วยอุปการะในวัดของเราก็รองรยไปมากพอสมควรตั้งแต่ปีสองสามจนถึงปีห้าเก้านับดูแล้วก็นับข้อมือดูแล้วก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันที่มาช่วยบางคนก็ช่วยทุนทรัพย์เสียสละทุนทรัพย์มอบให้เพื่อสร้างเสนาจนะสร้างที่พักพาอาศัยสร้างหลายหลายอย่าง ด้ถวายทานถวายดูแลพระสงฆ์หรือว่าทําบุญไว้ในพระพุทธศาสน า, อ, าอย่างนี้เป็นตน้นจากนั้นเราก็ได้เก็บจิตุปัจัยท่านเหล่านั้นามาใช้มาจ่ายให้เกิดประโยชน์ในพระพุทธศาสน า, าจากนั้นบางคนก็ใช้ได้มาช่วยไดายา้ย่าบ้างทําทางได้จงกรมบ้างสร้างเจตนารักษ์กุฏิพระสงฆ์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น ได้รับความสะดวกสบายเพราะว่าน้ําพักน้ําแรงของท่านเหล่านั้นแต่บางท่านบางคนก็ได้มาใช้ความคิดควรจะวางแบบแปนแผงผังอย่างไรภายในวัดของเราอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉนั้นท่านเหล่านั้นที่มาช่วยคิดช่วยทําช่วยออกทุนก็ร่องรอยไปตามอายุสังขาร แต่พวกพวกเราได้รับความสะดวกสบายที่มานั่งอยู่ในศาลาหลังนี้เป็นเงินทุนของใครนะอย่างกาแพงอรอบของเราเนี่ยากาแพงที่เรานั่งอยู่เดี๋ยวนีนะเ้เจ้าของของท่านเขามอบให้หมดไปหลายล้านที่สร้างกาแพงร้อมรอบก็ร้อมรอบเป็นที่ปลอดภัยสาหรับพวกเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำใจของท่านที่มอบให้แต่ท่านก็รงรยไป ตามอายุสังขารอย่างที่ว่าเพราะนั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังทีนีพวกเราที่อยู่เบือเอเบ้องหลังเราจะทำยังไงเราก็ไม่มั่นใจเหมือนการท่านเหล่านั้นเมื่อจากไปแล้วท่านจะไปสู่สุกติไปสู่สวรรค์ทีเดียวเราก็ไม่มั่นใจเพราะเหตุว่ามากคนที่มรณะลงไปในมากเหลือเกิน แต่ละคนก็ไม่แน่ว่าจะทําแต่คุณงามความดีถ้าเป็นพระหรหันทั้งหมดก็คงจะเราก็ไม่วิถกกังวลแต่นี้ถ้าหากว่ า, ายังมียังเป็นปุตุชนอยู่อาจจะกรรมดีและกรรมชั่วในช่วงนั้นอาจจะให้ผลแต่ถ้าว่าพวกเราคิดว่าตายแล้วศูนเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมาคิดจุดนี้อีกเหมือนกันแต่นี่เรา ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราปฏิบัติมาเราเชื่อเกินร้อยถ้ามีพันเปอร์เซนต์ก็เชื่อเกินพันว่าตายแล้วต้องเกิดบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงเพราะนั้นมาเรามาคิดถึงจุดนี้เราก็ญาติโกโหติกาศรัทธาญาติโยมของเราที่มาร่วมทำบุญ เ, เมื่อตายไปแล้วจะไปที่ไหนจะตกทุกข์ได้ยากอย่างไรเนาะ อย่างทุกอพวกเราก็ต้องมาคิดอีกที่หนึ่งเพราะนั้นเราก็ไม่มีสิ่งอื่นที่จะทดแทนท่านเหล่านั้นได้นอกจากบุญกุศลที่พวกเราจะทำบุญุทิศส่วนกุศลให้เพราะนั้นจึงมีวันนี้ขึ้นมาหลวงพ่อก็เลยกาหนดเป็นวันมาฆบูชาทุกปีอันนี้เป็นวันชัดเจน เ, เพราะว่าเป็นวันหยุดราชการด้วยเป็นวันหยุดของพี่น้องประชาชน การทํามาทักค้าขายกับถือว่าเป็นวันสําคัญเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้กําหนดวันมาฆบูชาเนี่ยนะเป็นวันทําบุญกุทศส่วนกุศลให้กับผู้มีอุปกรณของวัดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมายืดยาวคือเราทําบุญให้ท่านดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นตกทุกข์ได้ยากอย่างไรก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศล ที่พวกเราทุกๆ ท, ท่านมีเจตนานดีเกินร้อยที่จะอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านดวงวิจาาณท่านเหล่านั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันพรุ่งนี้เมื่อตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราจะมารวมมารวมกันที่ศาลาจากนั้นเราก็จะได้ไหวพระสมาทานศิลให้บริสุทธิ์ชก่อนจากนั้นเราก็กล่าวคำถวายทาน ไวไ้ในพระสงฆ์แต่หลวงพ่อก็ได้ตั้งจิตตั้งใจไว้เหมือนกันว่าจตุปัจจัยไตรยธรรมของศรัท ธ, ธาญาติโยมที่เอามาถวายอ <c oughs> ในวันพรุ่งนี้ส่วนที่ปัจจตุปัจจัยถวายพระอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นปัจจัยของศรัท ธ, ธาญาติโยมเหมือนกันนะไม่ใช่ปจตุปัจจัยของหลวงพ่อเป็นปัจจัยของวัดน่ะถึงจะเป็นของวัด ก็เป็นปัจจัยของศรัทธาญาติโยมเหมือนกันหลวงพ่อจะ ไ, ไปทำมาค้าขายที่ไหนเพราะนั้นหลวงพ่อก็คงจะเอาจตุ ป, ปัจจัยเหล่านั้นถวายพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ส่วนจตุ ป, ปัจจัยของศรัทธาญาติโยมถวายมากน้อยหลวงพ่อก็คิดว่าน่าจะน้อมอุทิศสวนกุศลเพื่อสร้างเจดีขององค์หลวงตา พอดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณที่มาสู่วัดวาศาสนาของหลวงพ่อล้วนแล้วแต่รับเคารพในองค์หลวงตาเชื่อฟังในธรรมเทศนาขององค์หลวงตาหลวงตามหาบัวแต่เมื่อเรากำลังจะสร้างเจดีย์อยู่ขณะนี้เราก็ควรจะรวบรวมเอาเงินจตุ ป, ปัจจัยให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นทุกดวงวิญญาณให้มีส่วนร่วมในการสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตา เพราะนั้นให้พวกเรากาจะน้อมนําจะตุกปัจจัยเนี่ยแหละเตรียมไว้จะได้สร้างไม่ลวงพ่ออนั้นอนาคตนะอนาคตทางว่าไม่ได้สร้างที่วัดป่าบ้านตาดก็มาสร้างที่วัดป่านาคําน้อยของเราต่อไปภายภาคหน้าเป็นไปได้ทั้งหมดละ่ะถ้ามีเงินพอที่วัดป่านาคําน้อยเนี่ยจะลงที่ไหนก็ได้ทั้งหมด พันสห้าสิบกว่าไร่เพราะนั้นหลวงพ่อไม่ได้ห่วงได้ห้ามแว่าแต่คณะคณะกรรมการเห็นพ้องต่องกันที่ตรงไหนหลวงได้เลยนี่แหละอันนี้คือวัดนี้คือวัดกององค์หลวงตาถึงจะเป็นวัดของหลวงพ่อเป็นผู้ครอบครองก็เถอะหลวงตามท่านมีเมตตา ม, มาช่วยวัดของเราทำกำาพงทำกำแพง ขุดสระน้ำํำตั้งชื่อวัดให้อีกต่างหากหลวงพ่อก็ไปกราบหลวงตาว่าทางกรมการศาสนาเขาอยากจะให้ตั้งชื่อวัดออขอเมตตาองค์หลวงตาตั้งชื่อวัดให้ด้วยก็ผมเออเดี๋ยวอีกวันสองวันนะ เ, เดี๋ยวเราจะตั้งชื่อให้หลวงตาก็ตั้งชื่อว่าวัดอุดมมงคลวนาราม วัดอุรมงควว่านารามแต่พอเราขอจริงๆทางกรมการศาสนาเขาว่าวัดนี้เป็นหมู่บ้านนาคำน้อยจะไปชื่อบ้านอื่นชื่ออย่างอื่นไม่ได้จะเป็นชื่อคนชื่อวัตถุอย่างอื่นไม่ได้ต้องเป็นชื่อของวัดเป็นชื่อของบ้านเพื่อจะให้ผูกพันกับบ้านวัดกับบ้านให้ผูกพันกันให้เป็นหนึ่งเดียวเพราะนั้นต้องมีชื่อว่า วัดนาคำน้อย เ, ออเราก็เลยก็ชื่ออย่างไงก็ชื่อทัออ้ไม่เห็นจะสำคัญที่ตรงไหนหรอกเขาจะให้ชื่ออย่างนี้ก็ชื่ออย่างนี้แหละหลวงพ่อก็เลยเใส่ชื่อว่าวัดนาคำน้อยวัดอุดมมงคลวัดนารามแล้วก็วงเล็บวัดป่านาคำน้อยนี่แหละอันนี้คือความเป็นมาสรุปแล้วก็คือองค์หลวงตาที่ท่านได้เมตตา ในวัดของเราเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงน้อมนึกคิดอยู่เสมอว่าจะตุปัจจัยที่พวกเราได้มาเนี่ยของศรัทธาญาติโยมทุกหมูเ่เหล่าในช่วงนี้หลวงพ่อก็จะถึงจะมากหรือน้อยหลวงพ่อไม่ว่าไม่ได้หนักใจนะการศรัทธาญาติโยมถึงจะได้มาหรือไม่ได้มาศรัทธาญาติโยมจะถวายมากน้อยเท่าไหร่ก็เป็นศรัทธาของญาติโยมแต่หลวงพ่อจะเก็บรวบรวมมาไว้ให้มีส่วนบุญส่วนกุศล เหมือนกับพวกเราถึงจะมากหรือน้อยก็าตามเจตเจตนาของเราเจตนาดีเจตนาเพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนกับเมล็ดข้าวที่มันน้อยนิดมันไม่มากแต่เราไปปลูกในเนื้อนาที่ดีนะเนื้อนาที่ดนะีก็ได้ข้าวมากกว่าที่พวกเราได้ข้าวปลูกเยอะๆแล้วก็หวานเข้าไปในป่าดงพงไผ่ หวานข้อในป่าหญ้าแฝกหญ้าคามันจะเกิดขึ้นมาได้ไหมเกิดขึ้นมาน้อยม่อร่อนต้อนแตนไปแต่ว่ายากมเมล็ดข้าวที่มันน้อยแต่ลงไปโปรยลงไปเนื้อนาที่ดีที่เหมาะสมดินปุ๋ยที่ดีน้ำที่ดีข้าวจํานวนที่น้อยนิดมันจะออกรวงขยายพันธุ์ได้อย่างมากนี้ก็เหมือนกันถึงพวกเราจะทำ มากหรือทำน้อยแต่จกเจตนาของเราเป็นจกเจตนาที่ดีเราสร้างบุญทำบุญสร้างพระเจดี์ของพระอรหันต์อย่างองค์หลวงตาของพวกเราบุญกุศลมากมายมหาศาลทีเดียวเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะหลวงพ่อคิดอย่างนั้นนะในความคิดของหลวงพ่อนะแต่ถึงยังไงพวกเราก็ควรสร้างบุญสร้างกุศล อไม่ใช่ว่ า, เ, าเมื่อเราตายไปแล้วจะให้คนอื่นทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้อันนั้นคิดไม่ถูกอองเหมือนกันนะคณะทัพทายาตโยมตามแนวความคิดเห็นของหลวงพ่อนะก่อนที่เราเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เดียวนี่แหละเราควรจะส่อแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นกุศล ให้เราศึกษาสอบถามครูบาอาจารย์เราไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลห้ า, าแล้วก็ให้ทานอย่างไรแล้วประกอบคุณงามความดีอย่างไรภาวนาอย่างไรจึงจะเป็นบุญเป็นกุศลให้พวกเราทำเอาเองขณะยังมีชีวิตอยู่เนี่ย เ, เมื่อตายไปแล้วไม่ต้องให้เขาทำให้กับเรา ในเมื่อเขาทําให้กับเราบางทีก็ทําผิดทำถูก เ, เพอเพอยังสร้างบาปอากุศลให้กับเราอีกต่างหากเพราะฉะนั้นในพวกเรามีชีวิตอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้นะ่ะให้สร้างสมบุญกุศลไวนะเนอร์นี่ยอย่างพวกเรามาในวันนี้แหละามาสร้างบุญสร้างกุศลไหว้พระอแล้วก็สวดมนต์แล้วก็วนนกฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ขนาด ไก่ป่ามันไก่ป่าหากินอยู่ในละแวกที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พอกำลังฟังเพลินๆ เ, น, เนี่ยคงจะไม่รักษาตัวมั้งอีเยี่ยวมันก็นมาขยุ่มจับลากคอกัดคอเลยขยุงคอคอขาดขนาดตายในขณะนั้นยังไปสู่สวรรค์ได้เพราะจิตใจเป็นกุศลอันนี้พวกเราเป็นมนุษย์แท้ๆไง ได้ฟังธรรมเทศนาและไปฟังพระสงฆ์ในสาธยายาพระปริตะมงคลก็เป็นมงคลเป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเรามาวัดวาศาสนาเน่มาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเพราะนั้นหลวงพ่อจึงยกยกเป็นพุทธภาษิตว่าปุญญานิปรโรกสมิงปฏิทาโหนติปานีนังบุญ ยอมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าโลกนี้ถ้าคนทําบุญรักษาศีลห้าประกอบคุณงามความดีไปในสถานที่ใดใครๆก็อยากจะเป็นพักเป็นพวกเป็นหมู่เป็นเพื่อนเพราะว่าเป็นคนดีไม่ได้เบียดเบียนเขามีแต่การสงเคราะห์อนุเคราะห์สึ่งกันละกันสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคม ต่อคู่คนต่อพักพวกหมู่เพื่อนทั้งหลายเราก็ช่วยเหลือเจือจานกันอันนี้แหละว่าการสร้างบุญสร้างกุศลไปนัสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นสุขในเมื่อตายไปแล้วก็ บ, บุญกุศลที่เราสร้างไวนะ้ไนนะี่แหละทําไว้นี่แหละจะเป็นพ่วงเครื่องเกื้อกูลหนุนไปในอนาคอตอีกบุญกุศลจะติดจิตติดใจของผู้ประกอบคุณงามความดีถ้าเราทําบุญกุศลมาก สร้างบุญกุศลมากไหว้พระนั่งภาวนาจนได้เป็นพระรยาบุคคลพระโสดาสกทาคาณาคาอรหรันบุญกุศลเหล่านั้นจะช่วยเราไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าถ้ามาเกิดก็เป็นมาเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บุญกุศลส่งทำอะไรก็งอกเงยทำมาหาเลี้ยงชีพก็ไม่เดือดไม่ร้อนพอเป็นพอไปถึงจะไม่รำ่ำไม่รวย ก็อพอยังชีพให้เป็นไปไม่ทุกยากลําบากเพราะอะไรเพราะบุญกุศลเกื้อกูลหนุนเนี่ยแหละบุญกุศลตัวนี้แหละ อ, อ, อยู่ในปัจจุบันก็เกื้อกูลหนุนในปัจจุบันในอนาคตต่อไปภายภาคหน้าบุญกุศลก็เกื้อกูลหนุนมั่นกันเหตุว่าปุญญานิปัลโลกัจฉมิงเกื้อกูลหนุนทั้งในปัจจุบันนชาติและเกื้อกูลหนุนในอนาคตอนาคตชาติอีกเหมือนกัน เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจถ้าหาว่าพวกเราคิดว่าตายแล้วศูนย์ก็ไม่จําเป็นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดอไม่ต้องจำเป็นทําบุญทําทานไม่ต้องประกอบคุณงามความดีจะทําอะไรทาเลยแต่ทําความต้องการแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าพ่อแม่ครูบาอาจาร สายของหลวงปู่มั่นท่านบอกแล้วอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูนนะ่ะอย่าไปคาดคะเน อ, อย่าไปเดาอย่าไปคาดการอย่าไปประมาณการอย่าไปนึกเดาเอาต้องนั่งภาวนาผู้ที่นั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบเป็นหนึ่งแล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายเนะี่ยจะรู้ได้ได้เห็นได้ชัด ร่างกายที่แตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟแน่นอนเหมือนกับรถมันหมดสภาพแล้วนะ่ะอโซเฟอร์ต้องออกจากรถโซเฟอร์จะไม่อยู่ในรถน ะ, ะโซเฟอร์จะต้องออกจากรถไปซื้อรถคันใหม่นี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของคนเราเหมือนกับรถแต่ดวงวิญญาณคือใจคือนามธรรมตัวผู้รู้มันโนจุดนั้นนะ่ะ จะต้องออกจากร่างนี้ไปสู่ไปเกิดในภพภูมิต่างเพราะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ความสำคัญเรื่องโซโฟเฟอร์เรื่องของใจเป็นอันดับหนึ่งเรื่องของร่างกายเป็นรองนะนะทศชายาจโยมลูกหลานนะท่านจะยกเป็นมโนโปุพังเป็นพระบาลีขึ้นมาว่ามโนปุพังเข้ามาธรรมามโนเศรษฐามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นท่านถือใจี่เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเพราะนั้นพวกเราต้องศึกษาเรื่องของใจออย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อเช้านะันหลวงพ่อบอกว่าถ้าใครก็ตามพระเนนลูกหลานองค์ใดก็ตามศรัทธาญาติโยมใครก็ตามถ้าหากว่าสงจิตออกสงใจออกไปข้างนอกมากๆนะเลยเดี๋ยวเสียคู่เสียคนเป็นบ้าเป็นบอนะขาดทน ถ้าเป็นพระเป็นเอ็นก็ขาดทุนถ้าส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกแต่เป็นฆรวาสญาติโยมเนะี่ยส่งสินค้าออกไปข้างนอกเนะ่ยเขาร ว, วยนะถ้าอยู่ขายในประเทศไม่รวยถ้าขายส่งสินค้าออกไปต่างประเทศขายข้าวไปต่างประเทศขายวัตถุเครื่องใช้ต่างๆ่างออกต่างประเทศที่ต่างประเทศเขาต้องการเนะี่ยไม่แต่รวยเพราะส่งสินค้าต่างประเทศ แต่ถ้าาพวกเราเป็นนักพรตนักปวดมาปฏิบัติธรรมส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกี่มิตะขาดทุนเพ้อ เ, เป็นบ้าเป็นบอได้ง่ายๆเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะถ้ายอยากจะได้กําไรแล้วก็ให้จิตใจอยู่กับตัวเองเป็นสมาธิอยู่ตลอดทนที่มีสมาธิอยู่ตลอดนั่นแหละจะได้กําไรนึกขึ้นมาเมื่อไรอุ่นใจเมื่อนั้นมีแต่ความสุขกายสุขใจ เพราะใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจของเราไม่เผล อ, อ, อไม่หลงลืมไม่เผลอเลอไปที่ไหนจิตใจเป็นสมาธิอยู่ตลอดออคนที่มีเป็นสมาธิอยู่ตลอดนั่นะไปณักสถานที่ใดเหมือนกับคนเฝ้าบ้านอยู่ตลอดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแต่หาาเราใจของเราเส่งใจส่งจิตออกไปข้างนอกจนตัวเองนั่งอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนไม่รู้ ลักษณะเป็นอัลไซเมอร์ลักษณะอย่างนั้นอ่ะเราจะหาความสุขได้ไหมไม่ได้นะผู้ที่อยู่ใกล้ผมไม่รู้จะทํำยังไงเพราะอะไรเพราะตัวเองจิตใจไม่อยู่กับเนื้อไม่อยู่กับตัวจิตใจไม่เป็นสมาธินะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะที่พูดทางนี้ทั้งนั้นให้จิตใจของเราฝึกให้เป็นสมาธิไว้อยู่เสมอ ให้มีสติอยู่กับตัวเองไว้อยู่เสมอนั่นแหละเป็นผู้ได้กำไรถ้าเราส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกมากๆเนี่ยขาดทุนนะคณาตถาญ า, าติโยมพระเนรลูกหลานทุกองหนะ้าให้มีสมาธิในจิตในใจแล้วก็พร้อมกันก็ให้เมื่อได้ศึกษาธรรมะจิตใจเข้าผ่านเข้าสู่ความสงบแล้วก็นำมาพิจารณาทางวิปัชนาต่อไปนะอ่า น, นั้นต้องศึกษานะท่าน ศึกษาตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนสมาธิทํำยังไงเต็มใจให้สงบวิปัสนาไดคลี่คลายดูหาเหตุและผลให้เห็นจิตใจมันลุ่มหลงหลงอะไรท่านก็ว่าหลงร่างกายนี่แหละหลงร่างกายว่าเป็นตัวตนของเราเนี่ยวันนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เวลาพระบวชเข้ามาหรือสัมปันเนนบวชเข้ามาเนี่ย ท่านจึงให้กรรมฐานห้าเกซาโลมานะะักฆ่าทันตาตาโจตโจทันตานะะักขาโลมาเกสาพูดไปแล้วก็ทับทบทวนอีกให้จำาอ่อเมื่อจําเสร็จแล้วนี่ยก็ให้พิจรารณา อ, อตัวของเราใจของเราในหลงร่างกายว่าร่างกายนี่จะอยู่โชวฟ้าดินสลายตายไม่เป็ีนนะเออตายไม่เป็นนะนนะถ้าคนราลึกถึงมรณงเมอยู่เสมอนะเราเราจะไม่หลงลืมตัว คนนั้นขอให้พวกลูกหลานผานเอนทุกองนนะ่าจะตไทยาญาติโยมทุกคนนะ่าให้ระลึกไว้อยู่เสมอแต่บางคนบอกเออทานระลึกถึงความตายใ จ, ใจิตใจมันห่อเหี่ยวเศรซึมเศร้าเอ้ยไม่ใช่ถ้าซึมเศร้าอย่างนั้นไปไปว่าคิดไม่ถูกหรอกมันโง่เอจะไปซึมเศร้าทําไมเออถ้าซึมเศร้าก็เท่านั้นซึมเศร้าก็ตายอย่างเก่าลาเลิอนก็ตายอย่างเก่าให้รู้ตามความเป็นจริงนะมัน มันจะซึมเศร้าไปที่ไหนให้รู้ตามความเป็นจริงในขณะนี้เราอยู่ในสถานเ น, นี่ยณนี้เราอยู่ในเวลานี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงจะเหมาะสมจึงจะถูกกับกาลเทศะการสถานที่บุคคลในเมื่อเราทำาตีที่สุดแล้วนะเรานึกขึ้นมาเมื่ อ, อไรเราก็สบาย อ, อกสบายใจเมื่อนั้นถ้าเราคิดไม่ถูกทาไม่ถูกพูดไม่ถูกนะเออนั่นแหละพวกเราจะเดือดร้อน แ่ความเดือดร้อนจะตามมาเราคิดเมื่อมาเมื่อไหร่เราก็เป็นทุกข์ในจิตในใจเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราคณะทายาติโยมลูกหลานทุกคนนะวันพรุ่งนี้จะเป็นวันทำบุญอุทิศสวนกุศลต่อผู้มีอุปกรารคุณของวัดและก็พวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่จะอุทิศผู้อุปกรารคุณของวัดเท่านั้นนะให้พวกเราอุทิศสวนกุศลต่อผู้มีอุปกรารคุณของพวกเราแต่ละคนแต่ละท่าน คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายบวงสางนา ย, ยาดญาติมิจายของผู้ฆ่าทั้งหลายเนอ้อผู้ฆ่าได้มาทําบุญรวมญาติในวันนี้ญาติของผู้ฆ่าทั้งหลายทั้งปวงขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ฆ่าเนอ้อในคราวนี้ครั้งนี้ถ้าว่าพ่อแม่ของข้ายังมีชีวิตอยู่ญาติโกโหติกาของข้ายังมีชีวิตอยู่ขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันณนะสุขภาะระลาบยศสรรเสริญสุข ให้สุขกายสุขใจเนอะอันนี้เราให้คิดให้คิดไว้ในใจอย่างนั้นนะทางว่าท่านมีชีวิตอยู่ก็ให้เจริญด้วยยักาบยศสนรเสริญุกถ้าท่านล่วงลับไปแล้วก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลถ้ามีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปเพราะวันนี้วันพรุ่งนี้เป็นวันทำบุญรวมญาติอย่างที่หลวงพ่อได้พูด พวกเราทุกคนก็มีญาติของใครไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะทําบุญที่ให้ยมพ่อยมแม่ของหลวงพ่อเหมือนกันนะแต่วันพวงนี้บุญคุณงามความดีจริงไหนที่หลวงพ่อได้ประกอบมาอันนี้อดีตก็ดีจนถึงปัจจุบันจะเป็นที่เป็นบุญเป็นกุศลนะที่คิดดีทดําดีพูดดีที่เป็นกุศลขอให้ดวงวิญญาณพ่อแม่ของหลวงพ่อในอดีตชาติที่พ่อแม่ในปัจจุบันชาติ ของหลวงพ่อให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากหลวงพ่อทุกๆดวงวิญญาณทุกๆดวงใจด้วยด้วยเถิดนะเพราะในอดีตชาติเรามีพ่อแม่พ่อแม่ก็รักเราเราก็รักพ่อแม่เหมือนกันแต่มาเมลเกิดมกพบในชาตินี้พ่อแม่ก็รักเราเหมือนกันถึงอยรางแล้เป็นเกิด เ, เป็นลูกไก่ก็นะลูกไก่ลูกเป็ดลูกหมูลูกห ม, กมาเขเถอะพ่อแม่มก็ห่วงรักลูกของของขอ ง, ของตัวเองนั่นแหละ ถึงจะเป็นยังไงถึงจะเป็ น, เ ร, เ, ปนเราเป็นลูกหมูหมากาไก่ก็เถอดนะดวงวิญญาณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลรามาก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลท่าท่านมาได้นะแต่ทีนี้มันไม่ใช่มาได้ทุกคู่ทุกคนนะลูกหลานคณะสัตธาญาติโยมนะบางทีก็ไปอยู่ไปเกิดในภพภูมิเป็นนกเป็นหนูหมูหมากาไกา่มันก็มาไม่ได้เ อ, อ แต่วิญญาณที่จะมารับได้นะก็คือวิญญาณเป็นเปรตอสุนกายเป็นเปรตตวิสัยที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราได้ท่านออกจากนั้นมารับไม่ได้นะเป็นสัตว์ก็มารับไม่ได้เป็นเทวดาก็ท่านก็เป็นอาหารของเทวดาท่านก็มีมีกินมีอยู่ของท่านอยู่แล้วนะถ้าเป็นมนุษย์ท่านก็เกิดเป็นมนุษย์แล้วนะท่านก็มารับไม่ได้แต่คงจะมีความสบายจะเอะวั น, น ทำเราทําไมเราจึงมีความสบายใจอย่างนี้วะอาจจะเป็นลูกหลานญาติพี่น้องทําบุญรุปที่สวนกุศลให้ก็ได้นะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุท่านเนะี่วันพนุ่งนะี่เป็นวันทําบุญรุปที่สวนกุศลวันตบุญรวมญาตินะสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายในขณะที่พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรพวกเราไม่มีน้ําก็กรวดน้ําใจนั่งตั้งกิจอธิษฐานให้มั่น แน่แน่เมื่อพระสูง์อนุโมทนาให้พรตั้งจิตเออบุญกุศลที่ข้าพรเจ้าได้มาทําในวันนี้หรือในอดีตที่ผ่านมาที่เป็นบุญเป็นกุศลข้าพรเจ้าประมวลมาขออุทิศส่นกุศลให้แก่ญาติของข้าพรเจ้าคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายของข้าพระเจ้าดวงวิญญาณใดก็ตามที่จะมารับส่วนบุญกุศนกุศลจากข้าได้ก็ขอให้มารับเร่อพวกข้านี่จะทําบุญอุทิศส่นกุศลให้ เร่อนี้เป็น ต, นต้นจะรอถึงเจ้ากรรมนายเวรทำไมเราจึงให้อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรท่านว่าคำว่าเจ้ากรรมนายเวรคำนี้แหละบางทีไม่ใช่ว่าเขามาทำเวรให้กับเราบางทีเราไปทำให้กับเขาบางทีเราไปฆ่าเขาไปขโมยเขาไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายจนเขาเดือดร้อนเขาเป็นทุกข์ใหญ่เขาก็เลยผูกอาคาดกับเรา เอาเถอะเรามาเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพรทองค์ท่านบอกว่าอย่าไปจองกรรมอย่าไปจองกรรมจองเวรกับคนนะถ้าหาว่าถา้าเราจองเวรกับใครเนี่ยเวรจะไม่ระ ง, งับมีแต่ให้อภัยเนทะ่านั้นเวรจึงจะระ ง, งับได้ถ้าเรามีการจองเวรกับใครอยู่เวร น, นั้นจะไม่ระ ง, งับเอ่อคำว่าไม่ระ ง, งับคำนี้อคๆวามีชาตินี้ใช่ ในเมื่อเขามาฆ่าเราเอาเถอะชาติหน้าฆ่าให้ให้ฆ่าได้จัดการมันพอเกิดมาชาติหน้าแล้วก็จัดการมันได้ฆ่ามันจริงๆไงพอได้ฆ่ามันแล้วทีนี้ให้วิญญาณนั่นก็จองเวรอีกเอาเถอะมึงมาฆ่ากูในชาตินี้ชาติหน้ากูขอให้กูได้ฆ่ามึงอีกเอมันก็ได้ฆ่าเราอีกเองผลในสู่ก็เลยฆ่ากันไปฆ่ากันมาไม่ไม่รู้จักจบจักสิ้น ที่แรกก็ฆ่าคนตัวต่อตัวต่อมากระชวนญาติพี่น้องลูกหลานเขามาฆ่ากันอีกเอเป็นหมูเป็นคณนะเป็นพรนไปเลยบัดเนีเ่ยนี่แหละเวรมันจะระงับไปได้ถ้าหากว่าพวกเราจองเวรกันอยู่ถามว่าเวรจะระงับได้ก็คือการไม่จองเวรเพราะนั้นพวกเราได้มาพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านยังว่าอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรอย่าได้จองเวรกันเอาเถอะ เที่เวรภัยที่ผ่านผ่านมาข้าพรเจ้ายินดีอโหสิอโหสิกรรมให้เนออยากได้จองเวรจองภัยโตอกันแต่มันจะพวกเขาเหล่านั้นมันจะมาจองเวรเราอย่างพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตย์นะถึงพระเทวทัตจะจองเวรขนาดไหนพระพุทธเจ้ามีแต่ปกป้องถอยหลบหนีปกป้องทบนี้บางทีทเท ว, วทัตก่อได้ฆ่าพระพุทธเจ้าประมิ พระพุทธเจ้าไม่จองเวรกลับคืนนะ่ะมีแต่ให้อภัยนี่แหละการที่ให้อภัยนะ่ะมีแต่สูงส่งขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อผู้ที่จองเวรจองกรรมไม่รู้จักลดจักลนะน่มีแต่ไปตกต่ําไปเรื่อยๆออกจากพ อ, อพอฆ่าเขาเสร็จแล้วก็ไปตกนรกพอขึ้นมาอีกพบหน้าชาติหน้าอีกเขาไม่จองเวร น, นะพูดนะเอาไปจองเวรกับเขาเองผมตัวเองจองไว้นะ ไปข่ากับตกนรกอีกเห็นไหมล่ะในครั้งพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานเข้าสู่นิพาน เ, าเทวทัตแผ่นดินสุกตกลงไปเอเวจีมหานรกนะ เ, เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้โผล่ได้ขึ้นมาอีกแต่พระพุทธเจ้าพบปรินิพานไปแล้วนะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้เกิดมาพบพุทธศาสนาอย่าไปยินดี ในการจองกรรมจองเวรต่อกันให้อภัยกันไว้ดีที่สุดนะลูกหลานคณะสัตยาิโยมนะถ้าจองเวรจองกรรมกันหาที่สุดไม่ได้นะอิรันพันตูอิลูพันตังกันอยู่นั้นนะ เ, เกิดพบหน้าชาติหน้ากันนะนะั้นน่ะเขาเอาชนะเราเราเอาชนะเขาจยนั้นผลที่สุดไป ม, มีใครชนะใครเวรจะิชนะใค ร, เ, ใคร เ, เพราะชาตินี้เราชนะเขาชาติหน้าเขาชนะเรานะ่ะมันถึงมีใครมันจะชนะได้ยังไง ผล น, นั้นการที่ไม่จองเวรดีที่สุดเขาตบมือข้างเดียวเราไม่ตบกลับมันไม่มีเสียงดังนะอพอเราหลบสักเราก็ตบมือข้างเดียวไม่จะตบลมตบแรงไปผลที่สุดก็หมดไปหมดไ ป, ดไปเลยะนี่เพรเราไม่สู้กับเขาเราเรายอมแพ้เขาสะะาักดวงหลวงตาการยอมเสียเปรียบคนนั้นแหละคือเมตตาเนี่ยงหลวงตาทันว่าอย่างนั้นนะ ให้พวกเราเนี่ยโดยมากไปยอมเสียเปรียบคนพอไม่ยอมเสียเปรียบคนกับผูกเวรผูกภัยขึ้นไปเรื่อยๆนะผลให้สุขใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าพวกเรายอมเสียเปรียบซะการเสียยอมเสียเปียบคนนะั่นแหละคือเมตตานะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะวันนี้หลวงพ่อคิดว่าจะไม่พูดอะไรยืดยาวแต่พ่อพูดไปแล้วกรกนมันพาไปเลยยาวๆนะด้วยอานาจ